จะยากดีมีจนไม่เป็นไรนะจิตมันสูงเลยจะไปไปเจอคนจิตสูงด้วยกันอืถ้าจิตต่ำต่ำแลยยัง ย, งยกยกมือให้เขาฟางังว่าจิตต่ำๆก็จเจอกันตา่ตางๆอถ้าหนูจิตสูงขึ้นไปนะไอ้อยากดีมีจรหนูออกจากท้องแม่เนี่ยผ้าชิ้นหนึ่งไม่มีนะ่ะอัฬมากาก็ไม่มีนะหนูมาสร้างคุณสมบัติกันดีกว่าราจะตาจิตสูงขึ้นไปเดี๋ยวไปเจอกันคนกันเนี่ยนี่คือ่นคู่จะต้องไปได้อย่าง